เพาความเจริญในธรรมจึงมีแต่ท่านผู้ฟังทั้งหลายแจ่ร่มปฏิยานกำมังนำเสนอปฏิจจสมุปาฏิในแง่ของความเป็นภวจักคือจากที่หมุนวนไปสู่สังสารวัฏอาจจะเรียกว่าสังสารจักรหรือเรียกว่าวัตจักรหรือเรียกว่าสังสารวัฏก็ได้ ก็เป็นการเชื่อมโยงกันของเหตุหรือว่ามูลสองมูลคือมีอวิชาเป็นมูลจากอดีตแล้วก็มีตัณหาเป็นมูลหรือเป็นรากเง่ามในปัจจุบันและก็จากนั้นก็จะก่อให้เกิดเป็นกรรมกรรมก็นําไปสู่วิบากในการเชื่อมโยงกันนั้น ที่ตั้นกล่าวว่าวิชากับสังขารเป็นอดีตหรือเหตุในอดีตขอให้เกิดผลในปัจจุบันในกรณีที่เหตุเหล่านั้นไม่มีก็ได้แก่พระาอารหันต์ทั้งหลายเนี่ยเมื่อท่านสิ้นชีวิตไปแล้วก็ไม่มีวิญญาณไม่มีนามรูปไม่มีอายตะมันก็ล้มระดีระนาดไป ต้นตำหามูลในปัจจุบันก็มีไม่ได้เพราะว่าไม่มีเชื้อวิชาอยู่ภายในจิตในพระธรรมบทก่าในพระไตวิฎกก็มีนะก็ได้กล่าวถึงพระอิสุรูปหนึ่งชื่อปะโคธีกะถ้ามมาเป็นเพี้ยนทางจิตพอจะบรรลุแล้วมันฌานเสื่อมทุกที ตอนเขียนว่าชีวิตเป็นของไม่จิรังยั่งยืนถ้าเกิดว่ามันแตกดับในช่วงที่ฌานเสื่อมก็อาจจะตกนรกก็ได้การทัก็เตรียมาศาวุธไปคื่อจะตัดหลอดคอตัวเองเพื่อตายในขณะที่จิตขึ้นไปสู่กระแสะสูงแล้วเราอย่าลืมว่าเป็นความคิดของปุถุชนนะฮะ คือคิดในขณะที่ยังเป็นปุทสนุนอยู่แล้วในที่สุดท่านก็ไปเจริญมีปันสนาก็บรรลุมักผลแล้วก็ตายปฏิคุนิพาปนปฏิก็มาได้แปลงเป็นหมอกควันเที่ยวแสวงหาปฏิสนธิวิญญาณของท่นานก็ไม่พบ ก็ปลอมตัวมาเป็นพรหมาฟ้าพระพุทธเจ้ากราบทูลถามว่าพระโคติกะนิพพานแล้วปฏิสนธิวิญญาณไปอยู่ที่ไหนพระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงแก่ภิกษุทั้งหลายว่ามานเมื่อสแสวงหาอยู่ย่อมไม่ประสบผลทางของบุคคลผู้มีศีลมีปกติอยู่ด้วยความไม่ประมาทแล้วก็จิตหลุดพ้นจากกิเลสเพราะ สมัมมาญาณคือความรู้ในทางที่ชอบเบรนีพระโค ธ, ธิกะนิผ่านแล้วเป็นการแสดงว่าอดีตเทศนนําไปสู่ปัจจุบันผลปัจจุบันผลกับอดีตเทศจึงเชื่อมโยงกันหมายความว่าถ้าอดีตเตุไม่มีเนี่ยปัจจุบันผลก็ไม่มีคล้ายๆกับไข่ที่ตายโคมแล้วนะ่ะ มันก็ไม่มีไม่สามารถจะมีลูกขึ้นมาได้ก็เป็นการดับกรรมไอ้ใบใจคือดับวิบากนะครับเพราะว่าเหตุบรรดับคือกิเลสดับกรรมดับวิบากก็ดับวิบากก็ดับผลต่อเนื่องทั้งหมดเนี่ยจากสักเท่าไรกี่รอ้อยกี่ปันอะตามก็ชื่อว่าดับ จึงได้ออกมาไว้ในวันกอ่อนว่าเหมือนกับพืชที่มันหมดยางเหนียวได้อุณหภูมิที่เหมาะสมยังไงก็ตามที่จริงอุณหภูมิที่เหมาะสมมันก็มีไม่ได้อยู่แล้วนะมันไม่เหมาะสมอ่ะเพราะมันมียางเหนียวที่จะรับคุณภาพของอุณหภูมิที่เหมาะสมสรงนั้นจึงไม่อาจที่จะแตกหนอดได้แต่นั้นั็ยังแสดงว่าวิญญาณ น, นามรู้ปอาจัตุรัสภาษาเวทนามันถึงเวทนานะฮะมันก็เป็น วิบากหรือเป็นปัจจุบันผลทีนี้ผลเนี่ยก็พร้อมที่จะเป็นเหตุคล้ายกระบวนการสืบสายตระกูลของเราเอขาก็จริงกับหัวจะพักไม่ถูกนะฮะลองสังเกตว่ามันใครเป็นเหตุของอะไรใครเป็นผลของอะไรไอใครเป็นเหตุของอะไรใครเป็นผลของอะไรนะั่นพูดได้นะ ด, ด, ดูได้แต่ว่ามันเป็นกระบวนการที่หมุนหนุนเนื่องกันไป เพราะผลกลับเป็นเหตุผลกลับเป็นเหตุผลกลับเป็นเหตุไปเรื่อยๆมันเป็นอยู่ในตัวเนี่ยสองอย่างคล้ายๆกับบุคคลคนหนึ่งเนี่ยเมื่อไปเชื่อมกับพ่อตัวเองก็เป็นผลเมื่อเชื่อมกับลูกตัวเองก็เป็นเหตุแล้วไอเชื่อมกับหลานเนี่ยฮะตัวเองก็เป็นเหตุไกลไปเมื่อเชื่อมกับเลนตัวเองก็เป็นเหตุไกลคือมันจะเหตุกล้เหตุมันก็ไกลไปเรื่อยๆถึงได้เลนเมื่อก็เป็นผลไกล เคยจากเขตคือเราไปได้ด้วยละสถานการ์เชื่อมเชื่อมต่อมันก็เป็นอย่างนั้นแต่อย่าลืมว่าจะใกล้กันยังไงก็าตามมันเชื่อมโยงกันได้มันเหมือนกับบรรพชนเราในสมัยโบราณโบรา ณ, ราณเมื่อไรก็ได้นะคือถ้าเราสามารถมีอติตังสยานยามย้อนนันอดไปเราจะเห็นสายการเดินเดินทางในชีวิตของเรา ว่เชื่อมโยงกับใครสาวขึ้นไปแบบสมัยท่านเรียนประวัติศาสตราทั้งหลายในคัมภีร์ไบเบิลก็ดีอันกุรานก็ดีคัมภีร์พรุทธศาสนาก็ดีเรียงในแนวนั้นเนีฮะแต่ขอพระพุทธศาสนาที่ยิบน้อยไปหน่อยอ ย, อย่างของในคัมภีร์ไบเบิลอนเทตัมเมนนี่เรียงมันลิบลบเลยนะฮะตั้งดาวิดมาเนี่ยเรียกว่าย้อนขึ้นไปหลายพันปี แ, แสดงว่าแต่ละคนเนี่ยก็เป็นเหตุเป็นผลกอกันแลกกันเป็นเหตุไกลเป็นเหตุใกล้เป็นผลไกลเป็นผลกล้จะเชื่อมได้เรื่อยไปจนได้เรื่อยไปตลอดถึงในสังสารวัฏอันยาวนานในสมัยพุทธกาลเนี่ยพุทธเจ้าได้เคยแสดงให้เห็นถึงความเชื่อมโยงที่นานแสนานานคือไม่รู้เมื่อไหร่คือพราหมณ์ครอบครัวหนึ่งชื่อนักุลบิดานะักุลมารดา มาเจอพระพุทธเจ้าเข้าไปก็เรียกเหมือนกับลูกชายคนตัวเอาพ่อหายไปไหนนานพ่อกับแม่เดี๋ยวตามหาเนี่ยน้องๆก็ปวดหาเอามาเถอไปบ้านเราก็จูมือพระพุทธเจ้าไปเลยไปถึงพี่ๆน้องๆก็เรียกพี่ พ, พระพุทธเจ้าเนี่ยเรียกเป็นพี่ไปเลยเป็นตุเป็นตาก็พี่เรียกก็เป็นตุเป็นตักพระเจ้าเองก็ไม่ได้ส่งปฏิเสธพระวิษุเองก็สงสัย ว่าทำไมพราหม์ก็รู้แสนรู้ว่าพระพุทธเจ้าเป็นใครมาจากไหนและทำไมจึงเรียกพระพเจ้าเป็นลูกทำไมลูกๆจึงเรียกว่าเป็นพี่พระเจ้ารับสั่งแสดงให้เห็นทังว่าในสังสารวัฏไกลโพ้นนี่นะพรามณคนเนี้ยเคยเป็นลุงเคยเป็นป้าเคยเป็นน้าเคยเป็นอาเคยเป็นพ่อเคยเป็นแม่พระองค์มาเนี่ยอย่างละห้าร้อยจันท รวมแล้วพันห้าร้อชาติแต่มันไกลโพดมากไกลมากๆเลยแต่ยังก็มีความผูกพันในภาในใจแล้สามารถนับแล้วก็เชื่อมโยงไปได้ทีื่อยนั่นคือกระแสก็สังสารวัฏโดยย้อนอดีตได้นะฮะแต่อนาคตเนี่ยมันไม่มีให้ย้อนมันไม่มีให้สาวเพราะยังไม่เกิดแต่พอเกิดแกก็เป็นอดีตแหละ เกิดแล้วก็เป็นปัจจุบันหน่อยหนึ่งแล้วก็เป็นอนดีต อ, อดีตมก็สาวได้นั้นแสดงถึงกระบวนการเลื่อนไหลของชีวิตของกระบวนการแห่งธรรมะทีนี้เมื่อชีวิตอยู่ในปัจจุบันเนี่ยเราจะเห็นว่าอาศัยที่คนเราเกิดมาเพราะวิชาตันหาเป็นมูลเมื่อตาห้นภูขังเสียงเป็นต้นเนี่ยก็ทำให้เกิดผัด ส, สะคือการกระทบ ทีนี้ภายในใจเรามีเชื้อทั้งอภิชาทั้งตันหาทั้งอุปาทานนะฮะเราก็มีเชื้ออยู่ทั้งสามข้อนั่นแหละเรื่องชื่ออย่างอื่นหรือีกเยอะเลยอย่างาที่เคยบอกไว้ในก่อนเนี่ยถ้าเราเรียนจริงๆเนี่ยสมมติว่าการตันหาเนี่ยมันมีเป็นการมาธาตุคือเชื้อของความใคร่อยู่แล้วก็มีการมสัญญาคือการกําหนดว่าสิ่งนั้นน่าใคร่อยู่ แล้วก็มีการมาสังกัดปะคือดำริถึงสิ่งเหล่านั้นด้วยอานาจความใคร่อยแล้วก็มีการมาไปลาหะคือใจเล่าร้อนด้วยความกำหนัดในสิ่งเหล่านั้นเสร็จ แ, แล้วก็เป็นการมาตัณหาเอกเป็นกามีตกเป็นการ ม, ตารมิตกก่อนนะการมิตกแล้วก็เล่าร้อนเร่าร้อนแล้วก็เกิดตัณหาตัณหาก็สแสวงหาสแสวงหาก็ได้บาได้บาก็ครอบครอง ก็อพโผงก็หวงแหนหวงแหนก็ต่อสู้ป้องกันเป็นกระบวนการที่มันเกิดขึ้นได้ทุกจิตแกจิตทั้งหลายนะครแกจิตที่มีกิเลสทั้งหลายตอนเมื่อไปเกิดตัญหามันก็กลายเป็นอุปาทานคือไปยึดติดยึดติดว่าเป็นของเราบ้างเป็นเราบ้างเป็นตัวเป็นตนของเราบ้างหรือยึดติดเดิมหน้าอุปท า, านทั้งสี่ที่แกกล่าวไว้ในวันก่อน ว่ากามุปาทานถือมั่นเนือหน้าความคล่ายในสิ่งที่ใคร่บ้างที่ตุปาทานถือมั่นด้วยความเห็นในสิ่งที่ตนเห็นว่าเป็นอย่างนั้นบ้างแล้วก็ศีลละปตุปาทานถือมั่นด้วยศีลวัดที่เธอประพุติปฏิบัติแล้วเข้าใจว่าครั้งว่าศักดิ์สิทธิ์ว่าสำเร็จประโยชน์บ้างแล้วก็ตุปตวะตุปาทานถือว่ามีอัตตาตัวตนเทียงแท้ทาวนยินโรงไม่แปรผันอตนเป็นขันห้ากันห้าเป็นตนตนมีในขันห้าขันห้ามีอยู่ในตนก็นับไปได้เรื่อยๆเลย ทีนี้เมื่อเป็นเช่นนั้นก็กลายเป็นพบขึ้นมาคือเป็นบุญเป็นบาปขึ้นมาเป็นสังขาระพบก่อนนะฮะเป็นสังขาระพบเสร็จแล้วก็รวมกันเป็นพลังของกิเลสกับกรรมอีกหละมันก็นำไปสู่สังสารวัฏนาไปสู่การเกิดตรงนี้ที่จริงเราจะเรียกวิญญาณก็ได้นะวิญญาณก็ได้แต่ท่านเรียกรวบไปเลยท่านเรียกวันชีวิตเลยเป็นชาต เพราะพูดถึงชาติหน้านะฮะคือชาติหน้านี่ไปตามดูรลายละเอียดอย่างนั้นมันไม่ได้มันดูเฉพาะปัจจุบันก็พอแล้วนะฮะเพราะจริงๆมันก็ยกไปจากปัจจุบันนั่นแหละนะมันก็นเหมือนกับชีวิตเราในวันนี้ไม่ใช่ชีวิตเราเมื่อวานนี้ก็คือชีวิตเราเมื่อวันนี้ที่มันเปลี่ยนแปลงไปบ้างแล้วก็ชีวิตเราในพรุ่งนี้ก็คือชีวิตเราในวันนี้นั่นแหละแต่ว่ามันผ่านการเวลามันเสื่อมมันเ ป, นปลี่ยนแปลงไปบ้างระดับเพราะงั้น ความเกี่ยวเนื่องกันเนี่ยฮะของอดีตน อ, อ น, ตนาคตของอดีตปัจจุบันอนาคตมันก็เกี่ยวเนื่องกันอยู่อย่างนี้อาจับใดที่ยังไม่ตัดโดยเฉพาะตัดส่วนหัวอตัดส่วนหัวก็คือกิเลส น, นะฮะวิชาตันหาอุปาทานเนี่ยก็ตัดส่วนตรงนี้ได้อย่างอื่นมันก็ดับก็แนวการถอดหัวรถจัดนั่นที่เกิดจะกล่าวไว้ในวันกอ่อนเอพอทําลายตันหาอุปาทานเนี่ย ครบมันก็จบวับนจึงเกิดขึ้นแก่พระหานทั้งหลายพระหานทั้งหลายเวลาดังนั้นนะ่ะมันจะเกิดญาณผุดขึ้นมาว่าขีนาชาติชาติสิ้นแล้วพระมรรย์ยางพระมรรยาญอยู่จบแล้วกตังกริยังกิจควรทำจะทำเสร็จแล้วนาปรังอิทาตาญาติประชานาติติกิจอื่นอีกเพื่อความเป็นอย่างนี้ไม่ได้มีแล้วก็ยุติเรื่องปัญหาสังสารวัตร แต่ว่าถือว่าเราเทียบแล้วเนี่ยสมมติว่ามนุษย์เนี่ยมันเหมือนกระผลมะม่วงบุต้นมะม่วงเนี่ยมะม่วงเหล่านั้นก็เสร็จแล้วก็ปลูกงอกบางบางปลูกปลูกไม่งอกบางก็แล้วแต่เหตุปัจจัยของมันนะเพราะตอนการสืบต่อของมะม่วงชนิดนั้นๆมันก็ตายทอดกันมาเรื่อยๆแต่ว่าในขณะเดียวกันเนี่ยมะม่วงที่ปลูกไม่งอกมันก็มีอยู่เป็นธรรมดาเหตุปัจจัยงอกมีอยู่มันก็งอก เหตุปัจจัยไม่มีมันก็ไม่งอกทีนี้วตาสงสารที่หยุดหมุนเนี่ยเพราะจากนั้นมาเหมือนกับท่านเห็นก็ท่านคงเห็นรลกควาเสียงลมเปลี่นลิมรถดังกล่าวไว้นะแต่ว่าไม่มีเชื้อของกามที่ก่อให้เกิดความยินดียินร้ายจึงไม่ทําเหมือนกับมะรงวันหยอดไข่อย่างที่พูดไวนะ้ในวันก่อนโน้นนะฮะ ว่มามันก็หยอดก็หยอดอยู่นั่นแหละมันไม่ใช่ไม่หยอดแต่ว่ามันไม่มีเชื้อหน้าวมันเลยไม่มีไข่ข้างไม่มีนอนนั้นเมื่ออวิชาตหาวปาทานยังไม่ถูกทําลายก็จะกลายเป็นปัจจุบันเหตุไปเรื่อยๆนะคะปัจจุบันเหตุก็คืออะไรก็คือตัณหาอุปาทานสังขารภพภพนะฮะแล้วก็ชาติชาตินี้มั น, มนที่จึงเป็นอนาคตผลนะ สร้างขึ้นในปัจจุบันนำไปสู่ปฏิภูในชาติต่อไปแต่นั้นท่านจึงเรียกว่าเรียกชาติว่าชรามรณะเป็นการเรียกรวมๆนะฮะชาติชรามรณะโศกปฏิวัตก็นับไปก็เป็นอนาคตผลหมายความว่ายังไม่เกิดทีนี้เราจะเกิดประณีทหยาบกลางประณีทอย่างไงเนี่ยมันก็อยู่ที่คุณภาพของจิต วิญญาณที่เราประพฤติกระทำปฏิบัติธรรมม า, มาที่ทรงแสดงโดยสรุปว่าจิตขุนมัวจิตเศร้าหมองก็หวังได้ว่าไปบังเกิดในทุกขติจิตผ่องแผ่ก็หวังได้ว่าไปบังเกิดในสุกติซึ่งเป็นผลที่สืบเนื่องมาจากอาวิชชาตนาอุปาทานกรรมแต่ว่าเวลาท่านนับเป็นท่านนับติตันหาก่อนนะเพราะว่าเป็น เราเรียกว่าปัจจุบันเหตุคือเหตุที่เกิดขึ้นในปัจจุบันคือเราสร้างขึ้นมาในปัจจุบันแต่ว่าการเดมันเกิดได้เนี่ยเพราะว่ามีเหตุสืบต่อกันมาในอนดีตที่นี้หากมีปัจจุบันเหตุคือวิชาตะนาวปาทานรวมถึงสังขารและภพห า, ห, ห, าจจหากไม่มีเหตุในชาติปัจจุบันหากไม่มีเหตุในชาติปัจจุบันปัจจุบันดังกลา่าวเรื่องความเกิดในชาติต่อไปก็ไม่มีเพราะขาดเหตุปัจจัยที่จะให้เกิด การหยุดสังสารวัฏเมื่อกล่าวโดยสรุปก็คือการทำลายกลุ่มกิเลสวัฏอย่าอือไม่ต้องพูดมันเพราะว่าอาวิชชาเป็นรากง่าวของของกรรมของสังสารวัฏเมื่อทำลายวิชาได้กรรมก็ดับสังสารวัฏก็ดับทีนี้เมื่อตะหาวปาทานหรือวาเมื่อทั้งสามประการนี้ถูกทำลายนย การมาวัดวิบัตกวัดก็ชื่อวถูกทำลายไปโดยธรรมชาติคล้ายๆกับเราถอนรากต้นไม้นะฮะเอ่ข้างข้า ง, ข, างข้างบนนะ่ะต้นไม้กิ่งใบดอกผลเนี่ยแต่ละมันก็ดับตามไปหรือเหมือนกันแนวการถอดหัวรถจักรถไฟออกไปนะฮะรถทั้งขบวนก็หยุดสิ่งที่เกิดขึ้นแก่พระหานั้นมันจะเหมือนกันเราจึงได้ยินการสื่อสารคุณสมบัติของพระหานหรือคุณลักษณะของพระหาน ในหลายแนวด้วยกันเชนวัฒชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายพบใหม่ไม่ได้มีต่อไปแล้วก็ตัวเหตุอาจจะพูดถึงเหตุไม่มีก็ได้นะเช่นบุญญาป่าปักปีโ น, โนหรือราบุญและบาปาบได้แล้วหรือว่าหักกรรมแห่งภาษาเัาจะเกิวิชารนาประธานกรรมคือมันสื่อสารได้หลายภาษาแต่ว่าถ้าสัมผัสจริงๆให้เข้าใจถึงสารัถะถักคือเนื้อหาจริงๆเนี่ย มันมีความจะเป็นจะต้องบรรลุได้ดังนั้นท่านที่เป็นพระหรหันต์หรือเป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยพระพุทธเจ้าหรือพระอหันต์เนี่ยท่านก็มีทําความดีทั้งหลายสารพัด ท, ที่ทำเนี่ยแต่ไม่มีกิเลสจึงไม่มีกรรมเพราะถ้าไม่มีกิเลสจึงไม่มีกรรมแล้วก็เรียกว่ายังไงล่ะก็เรียกว่ากิริยา กิเกิริยาจิตตังคือสักแต่ว่ารรทำเท่านั้นเองเมื่อสักแต่ว่าทำเมื่อไม่เกิดบุญบาปแต่ไม่ต้องพูดเพราะไม่มีเจตนาในการทําบาปแต่ว่าเจตนาท่านเป็นโล ก, กุตระแล้วก็ประกอบด้วยโลกุตระกุศลแต่ว่าภาษาที่ส่งสื่อสารที่จริงก็ภาษาชาวบ้านนะฮะแต่ว่ากามาวิจรจิตจะส่งใช้ระดับการมาวิจรจิตนี้ติดต่อกับชาวบ้านมันจะว่าติดต่อระดับโล ก, กุตระนะโล ก, กุตระก็ติดต่อกันก็พูดกันไม่รู้เรื่อง ก็เหมือนกับเราเรียนหนังสือสูงสุดมาเนี่ยพอ ม, มาสอนเด็กอนุบาลมันก็พูดภาษาอนุบาลเนี่ยพูดโดยภาษาศาสตราจารย์โปรเฟสเซอร์มหาวิทยาลัยเนี่ยมันพูดไม่ได้พพูดแล้วสื่อสารกันไม่ได้ดังนั้นเราจึงเห็นว่าเวลาสัมผัสอารมณ์ระวังปุถุชนกับพระริจเจ้าจุดต่างเนี่ยคือปัญญาที่รู้เท่าทันกับรู้ไม่เท่าทัน คืปัญญาไมคงมีอะแต่ว่ามีพลังที่เรียกว่ารู้เท่าทันเนี่ยไม่ได้เวลาโลกธรรมมาเกิดขึ้นแต่ส่วนหน้าปรารถนาหรือไม่หน้าปรารถนาก็ตามอุตุชนนั้นใจจะฟูจะแฟบไปตามโลกธรรมที่เกิดคือหมายความท้าราบยศสรรเสริญสุสเกิดใจก็ฟูขึ้นหน่อยชื่นชมเพลิดเพลินนิดยินดีประเสริมราบเสริมยศตกนินทาประสบความทุกข์เข้าก็ฝ่อก็ทุกข์ก็แฟบ เพราะว่าไม่มีปัญญารู้เท่าทันถึงความจริงว่าไอเนี้ยมันมันจริงๆริงมันธรรมดามันสังขารเ่องของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นน้าตาทีนี้พอเกิดขึ้นแก่พระรเจ้าเนี่ยพอเกิดป้าท่านก็รู้ทันทีว่าสิ่งนี้เกิดขึ้นแกท่านทั้งทั้งส่วนหน้าปรารถนาและไม่หน้าปรารถนาท่านรู้ต่อไปนะแต่ว่าสิ่งนี้เป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเ ป, เปลี่ยนแปลงไปเป็นธรรมดาเกิดขึ้นแล้วก็ดับไป จใจท่านไม่คล้องติดไม่ไปยึดติดในสิ่งเดล่านั้นมันจะเกิดขึ้นก็เกิดขึ้นในทํานนองแขกมาถึงบ้านก็ต้อนรับตามสมงควรกตฐานะเมื่อแขกดูก็ทำหน้าที่คนเจ้าของเรือนไปเมื่อแขกไปก็ทำหน้าที่ของผู้ส่งก็จบกันเท่านั้นคือไม่ไปยึดถือในด้วยอำนาจของยิเลตัญหายิ่งสามัญชนทั้งหลาย ปนจุดต่างในลักษณะเนี้ยแต่เราเทียบเคียงในเรื่องอื่นๆนี่นจะเห็นได้อย่างชัดเจนนะฮะเช่นสมมติว่าคนคนหนึ่งเป็นคนที่ค่อนข้างผิดปกติก็พวกน้าคนบ้ากแล้วกันนะเราดูปัญญาท่าทางไม่ค่อยเข้าใจนะฮะไม่ค่อยรู้ทันนี่ยว่าก็บา้าอลยคนคนหนึ่งก็เดินไปเนี่ยเขารู้ว่าคนนี้เป็นคนบา้า คนหนึ่งไม่รู้ว่าเขาเป็นคนบ้าแล้วคนคนนี้ก็ดา่าด่าคนทั้งสองคนนั่นนะฮะแล้วคนหนึ่งนี่ก็จะสงสารเรียกว่าขำคนหนึ่งจะโกรธที่โกรธก็เพราะไม่รู้ว่าคนบ้าแต่คนหนึ่งที่สงสารเนี่ยก็สงสารที่เขาบ้าโดยบางทีก็ขำภาษาที่เขาดา่า แต่ว่าขำด้วยความสงสารนะฮะไม่ใช่ขำด้วยการสบประมาทตุกตุกตุมิดซึ่งเราจะเห็นว่าไอ้คนบ้าก็คือคนเดียวกันแต่ว่าเรารับรู้ได้ยินเสียงด่าของคนบ้าเนี่ยปัญญาที่มีอยู่ในใจนั้นต่างกันคนหนึ่งก็รู้เท่าทันจิตใจก็ไม่แปรผันไม่อ่อนไหวไปตามเรื่องเหล่านั้นแต่ว่าคนหนึ่งไม่รู้เท่าทัน เรเกิดโกรเกิดเปลี่ยนแปลงไปทีนี้ไอ้คนที่ไม่รู้เท่าทันเนี่ยต่อมาก็มีคนมาเล่ามาฟังว่าคนคนนี้แกบ้าแกยืนด่าอยู่ทุกวันเนี่ยเจอใครแกก็ด่าอย่างนั้นเนี่ยล้วจะรู้สึกสลดใจตัวเองสงสารตัวเองที่หลงโกรธคนบ้าจะได้ตั้งนานเพราะในโลกของพระอระหันต์เนี่ยการหัวเราะ สนุกสนานสวนเสนา ต, ต่างๆเนี่ยมันเหมือนกับคนบ้านในอริยวินัยหรือการยิ้มแย้มแสดงความสนุกสนานเนี่ยเป็นกิเยสของเด็กในอริยวินัยเพราะได้ประมันสแสดงให้เห็นถึงอาการของกิเลสก็รื่นเริงหันษาไปเรื่อยๆ ตามโลคิอารมณ์ที่เราสัมผัสในขณะนั้นนันเพราะในภาวะจักรตัวการสําคัญว่าเราเอาเฉพาะในชีวิตประจําวันเนี่ยทํายังไงว่าให้ลดอวิชชาให้น้อยลงเพื่อกรรมจะเป็นกุศลเพิ่มขึ้นนะฮะหมายควา ม, มาว่าอวิชชาน้อยก็แสดงวิชาเพิ่มมาเพื่อกรรมจะได้เป็นกุศลเพิ่มขึ้นและวิบากซึ่งเป็นผลที่เราต้องการนะวิบากก็คือผลที่เราต้องการนะ ก็จะออกมาในรูปที่ดีถ้ามันยังมีภพชาติอยู่ก็ก็ให้ภพชาติมันประณีตหน่อยเกิดได้ดีหน่อยเกิดทั้งทีหนึ่งนีฮะอย่างที่ก็บอกว่าเกิดมาทั้งทีต้องอดีให้ได้เกิดมาในสกุลที่เหมาะสมต่อการเกื้อกูลในด้านพัฒนาการต่างๆได้ก็เรียกว่ามีคติสมบัติมีอุปทิสมบัติกาลสมบั ต, บ ต, บ ต, บติประโยคสมบัติอะไรต่ออะไรเออ มันก็มีกิเลสนะฮะมีกิเลสมีมีกรรมมีตัณหามีอุปาทานมีภพมีอะไรเรียบร้อยแหละแต่ว่าไอวัตจักรหรือภาวะจักรเนี่ยมันหมุนเราให้เวียนว น, นเร็วช้าลงเพราะว่าอายุในสวงสวรรค์อายุในพรหมโลกเนะี่ยแม้มันไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นหน้าตาก็ตามแหละแต่ว่ามันแสดงอาการช้าลงหน่อย ก็ได้ดำรงความสุขยะได้นานหน่อยแต่สมรัติในสายตาพระยะแล้วก็คือเป็นทุกข์อยู่นั่นเองเพราะยังอยู่ในสังสารทุกต้องฟังทั้งหลายแต่หลวปพะพทิยานในวันนี้ขอยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญ ง, ง่อ ง, งามไปบูชาในธรรมจวมีแต่ท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยทั่วกันสวัสดี